วันนี้เป็นวันศุกร์ที่22สิบสองกันยายนพุทธศักราชสอง6ันห้าสเป็นวันพระวันธรรมสวัสวิ์วันฟังธรรมวันนี้เราจะมาฟังธรรมเรื่องกรรมฐาน เรื่องวิปัสนา<ม>เรื่องสมาธิเพราะเป็นคำที่เรามักจะได้ยินได้ฝังกันในวงการของการปฏิบัติเช่นบางท่านก็อาจจะพูดว่าวันนี้จะไปนั่งสมาธิ<ม>บางท่านก็ว่าวันนี้จะไปนั่งวิปัสนา<ม>บางท่านก็ว่าวันนี้จะไปนั่งกรรมฐาน ซึ่งคำคำพูดเหล่านี้นะมีความหมายอย่างไรกันแน่เป็นความหมายอันเดียวกันหรือต่างกันความจริงคำว่ากรรมฐานก็ดีคำว่าวิปัสสนาก็ดีคำว่าสมาธิก็ดีอยู่ในขอบของการปฏิบัติธรรม ที่เรียกว่าจิตตภาวนาจิตตภาวนาแปลว่าการการยกระดับหรือการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นด้วยการทําจิตใจให้มีความสงบมากขึ้นและให้มีความรู้ ความฉลาดมากขึ้นนี่คือการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตะภาวนาเป็นการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ซึ่งการจะชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำให้จิตใจสะอาดขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความฉลาดมากขึ้นก็มีแยก การปฏิบัติเป็นสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาคือการทําใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธินี่คือการเวลานั่งสมาธิก็คือการนั่งเพื่อทําใจให้สงบให้นิ่งให้เป็นสมาธิเรียกว่านั่งสมาธิกัน อันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งของการปฏิบัติจิตภาวนาทำใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิแล้วเมื่อเราได้สมาธิแล้วเราก็ไปขั้นที่สองไปนั่งไปทำใจให้เกิดปัญญาขึ้นมาขั้นที่สองนี้เราเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาภาวนา การสร้างปัญญาด้วยการศึกษาด้วยการสอนให้ใจรู้ทรมันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั่งก็ให้รู้อริยาาสัจสีให้รู้ปลายลับอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นขั้นที่สองเรียกว่าขั้นปัญญาขั้นวิปัสสนา ดังนถ้าเราปฏิบัติอยู่ขั้นที่สองนี้เราเขาเรียกว่าเรากำลังนั่งวิปัสสนากันหรือเจริญวิปัสสนาก็ได้แล้วทั้งสองขั้นนี้ขั้นสมถภาวนาหรือขั้นทำใจให้สงบเป็นสมาธิและขั้นที่สองคือขั้นวิปัสสนาภาวนาทำใจให้เห็นธรรมอันประเสริฐให้เห็นอริยาาสัจสี ให้เห็นใจรักอานิจังทุกขังอนัตตาการที่จะทำให้การปฏิบัติทั้งสองขั้นนี้สำเร็จรู้เรื่องไปได้ก็จำเป็นจะต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องมือกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ที่จะทำให้ใจสงบหรือทำให้ใจฉลาด กรรมฐานนี้มีอยู่ถึงสี่สิบชนิดด้วยกัน<ม>แบ่งเป็นสองกลุ่มคือชนิดที่ทำให้ใจสงบและชนิดที่ทำให้ใจฉลาดทำให้ใจมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคือกรรมฐาน<ม>กรรมฐานนี้ก็เป็นเหมือนกับหนังสือร่ำเรียน เวลาที่เราจะเรียนวิชาอะไรลักวิชาหนึ่งนี้เราจำเป็นจะต้องมีหนังสือไว้ดูเช่นเราจะเรียนประวัติศาสตร์เราก็มีหนังสือประวัติศาสตร์ให้เรามาได้ดูได้อ่านถ้าเราอยากจะเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เราก็ต้องมีหนังสือวิทยาศาสตร์มาให้เราดูให้เราศึกษากันเราถึงจะได้ความรู้ขึ้นมา ฉันใดการที่เราจะทำใจให้เราสงบเป็นสมาธิหรือการที่จะทำใจของเราให้ฉลาดให้เกิดปัญญาขึ้นมาเราก็ต้องมีกรรมฐานเป็นเหมือนเป็นเหมือนหนังสือที่เราจะต้องนั่เรียนกันกรรมฐานนี้คืออารมณ์สี่สิบชนิดด้วยกันแต่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ทั้งหมดสี่สิบชนิด เราเลือกเอาเฉพาะอารมณ์ที่เหมาะสมกับเราเชน่นเวลาเราทําสมาธิทําใจให้สงบเราก็ต้องมีกรรมฐานใจเราต้องมีกรรมฐานต้องอยู่กับกรรมฐานไม่ให้ไปอยู่กับเรื่องอื่นไม่ให้ไปอยู่กับเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้<ม>ถ้าเราไม่มีกรรมฐานไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไว้ ใจก็จะลอยไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้<ม>ก็จะทำให้ใจไม่สงบได้แต่ถ้าเรามีกรรมฐาน<ม>เป็นสิ่งที่ดึงใจเอาไว้<ม>เช่นกรรมฐานที่จะทำให้ใจสงบนี้<ม>ก็มีอยู่หลายอันด้วยกันเช่นพุทธานุสติ ใ้เราเลอกถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งถ้าเราต้องการให้ใจเราสงบเราก็ให้ใจเราอยู่กับพุทธานุสติให้อยู่กับพระพุทธคุณก็ได้ให้อยู่กับชื่อของพระพุทธเจ้าก็ได้เช่นถ้าอยู่กับพุทธคุณเราก็ท่องบทบทพุทธคุณ พิถีพิโสผักกาลลหังสัมมาไปภายในใจท่องไปเรื่อยๆไม่ใช่ท่องแค่ครั้งเดียวต้องท่องไปเรื่อยๆในขณะที่เรานั่งสมาธิเพื่อดึงใจเอาไว้เพราะปกติถ้าเราไม่มีกรรมฐานใจของเราจะลอยไปเรื่อยๆนั่งกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่นูน่นอยู่กรุงเทพบ้างอยู่เชียงใหม่บ้างอยู่เมืองนอกเมืองนาบ้าง อยู่ที่คนนั่นคนนี้บ้างอยู่ที่ที่งานการบ้างมันไปได้ทั่วโลก<ม>ทุกแห่งทุกคนทั่วทั่วจักรวาล<ม>ถ้าไม่มีอะไรคอยดึงมันไว้<ม>กรรมฐานนี้เป็นเหมือนสมอเรือ<ม>เวลาที่เราต้องการให้เรือจอดนิ่งไม่ไหลไปตามกระแสน้ําเราก็ต้องทอดสมอกัน พอถ้าสมอแล้วสมอก็จะยึดติดกับพื้นใต้น้ําก็จะดึงใจไว้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสน้ําเมื่อให้เรือไหลไปตามกระแสน้ำํำกรรมฐานก็เป็นเหมือนกับสมอเรือสมอสมอใจสมอใจที่จะดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับกระแสของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราะ ใจของเรานี้มีกระแสไหลยอยู่ตลอดเวลาไหลไปถึงคนนั่นไหลไปถึงคนนี้ไหลไปถึงรูปเสียงกิริย์รถโพธิ์เสภชนิดต่างๆวันวันหนึ่งมันจะไหลมันจะคิดถึงสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆมันจึงไม่เคยทำให้ใจของเราสงบไม่เคยทำให้ใจเราได้เห็นความสุขอันวิเศษที่มีอยู่ในใจของเราเลย มันเลยทำให้เราไปหลงไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกกันไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็จะทําให้กลายเป็นความทุกข์เวลาที่มันเสื่อมไปเวลาที่มันหมดไปทุกวันนี้เราทุกข์กันเพราะเราวิ่งไปหาสิ่งที่มันเป็นทุกข์สิ่งที่มันไม่เที่ยง ห า, าลาภยศเสรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆที่มันที่มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเวลาได้เสพได้สัมผัสก็เกิดความสุขขึ้นมาชั่วคราวพอเวลามันหมดไปไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสมันก็ทําให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมา นี่นี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราที่มีอยูกันทุกวันนี้เพราะพวกเราไม่รู้จักหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะอยู่กับเราไปเรื่อยเป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราเองคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่จะสงบได้ก็ต้องมีกรรมฐานมีสมอใจเราไม่เคยทอดสมอใจกัน ใจเราเลยไหลไปตามกระแสของความรู้สึกนึกคิดต่างๆแล้วก็ไปวุ่นวายไปกับสิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้เพราะว่าสิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้บางทีมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากจะไปสัมผัสรับรู้แต่ก็เราบางทีเราก็เลือกไม่ได้เพราะมันเป็นของที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจ การควบคุมบังคับของเราเราอยากจะเห็นแต่ของสวยๆงามๆแต่บางทีเราก็ไปเจอของที่ไม่สวยไม่งามให้เราดูกันให้เราได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ทำให้เราวุ่นวายใจขึ้นมานี้เพราะว่าเราไม่ทอดสมอใจกันเราไม่มีกรรมฐานในใจเราเราไม่เคยไปนั่งกรรมฐาน หรือนั่งกรรมาฐานก็ยังไม่ได้นั่งแบบจริงจงจังๆนั่งพอหอมปากหอมคอท่านั่นเองเหมือนกับไปชิมอาหารคำสองคำไม่ได้นั่งกินให้มันอิ่มอิ่มไปเลยยังแต่ขอชิมคำสองคำแล้วก็ไม่กินต่อมันก็เลยไม่อิ่มใจเราก็เหมือนกัน แต่เราบางทีว่าเาว่าเราปฏิบัติกรรมาฐานกันเรานั่งสมาธิกันแต่ใจเรากลับยังไม่ได้เจอความสุขจากการนั่งสมาธิกันเลยเพราะเรานั่งน้อยเกินไปเราทําน้อยเกินไปเราต้องพยายามทํามากๆเช่นวันพระนี่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายทำ ผู้ปรารถนาจะสัมผัสกับลสแห่งธรรมคือความสงบนี้ให้มาปฏิบัติธรรมกันจริงๆอย่างจ ร, ง, จ ร, ง, จรงสักวันหนึ่งตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงวันรุ่งขึ้นหนึ่งวันกับหนึ่งคืนให้เรามาลองทอดสมอใจกันดูมาปฏิบัติกรรมาฐานกันดูขั้นต้นก็ให้เรามาปฏิบัติกรรมาฐานที่จะทําให้ใจเราสงบ กรรมฐานมีสองระดับกรรมฐานที่ทําให้ใจเราสงบแล้วก็กรรมฐานที่จะทําให้ใจเราฉลาดมีดวงตาเห็นธรร ม, ม, มกรรมฐานที่จะทําให้เรามีดวงตาเห็นธรรมคืออะไรก็คือการเห็นการเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายของเรานี้ อันนี้ก็เห็นอ น, นิจจังการเห็นธาตุสี่ในดินะในร่างกายของเราในดินในเห็นธาตุสี่เห็นดินน้ำลมไฟว่าร่างกายของเราแท้ที่จริงมันก็แค่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นมันไม่มีตัวมีตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้ก็เป็นกรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญาหรือวิปัสสนากรรมฐานที่ทำให้เกิด ดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาน อ, อกจากนั้นก็ยังเห็นร่างกายอาการสามสิบสองของร่างกายอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างคือการดูอาการสามสิบสองของร่างกายดูผมขนแลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปให้ครบสามสิบสองอาการแล้วจะได้เห็นว่าร่างกายนี้ ไม่ได้สวยไม่ได้งามอย่างที่เราคิดกันเลยเราเห็นซากศพสิบชนิดด้วยกันเห็นคนตายตายใหม่ตายเก่าตายจนกระทั่งเหลือแต่เหลือแต่โครงกระดูกอันนี้ก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานที่จะทําให้เกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นใจรักเห็นอริยสัจสี่ เห็นความทุกที่ไปยึดไปติดกับร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราของเราที่ไปอยากให้ร่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่อยากจะให้ร่างกายมันสวยงามไปเรื่อยๆอันนี้มันเลยทาให้ทุกเวลาที่ร่างกายไม่เป็นไปตามที่เราอยากได้กันเพราะร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับ ให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้นีเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญากรรมฐานเพื่อให้เกิดเกิดความสงบไปเปิดดูได้ใน Google นี่แหละเขียนคำว่ากรรมฐานเข้าไปทั้งเองก็<ม>จะมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมฐานให้เราได้ศึกษาได้อ่านรายละเอียดมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกัน มีแบ่งเป็นกลุ่มอนุสติสิบอสุภาสสิบอย่างนี้แล้วก็มีกระสินสิบแล้วอะไรเหล่านี้ซึ่งเราจำไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าอยากจะดูรายละเอียดก็ดูได้แต่การใช้กรรมฐานไม่จำเป็นจะต้องใช้ทั้งสี่สิบชนิดเราสามารถเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับจริตกับเราได้ เช่นเวลาที่เราจะทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิแล้วก็มีอนุสติต่างๆอันนี้เป็นกรรมฐานเพื่อความสงบเช่นพุทธานุสติ mm hmm. เวลาเราสวดบทอิติปิโสไปเรื่อยๆ mm hmm. สวนบทอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนนี้เรากำลังเจริญ พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเราเลิกถึงพระพุทธคุณเราเลิกถึงพระธรรมคุณเราเลิกถึงพระสังขคุณถ้าเราใจเราลเลิอกอยู่กับกรรมฐานเหล่านี้ใจเราก็จะไม่สามารถไหลไปตามกระแสของของกิเลสที่มีอยู่ในใจของเราได้กิเลสมันจะไหลไปหาลาบยศสรรเสริญสุด จะไปหาเงินหาทองกันหายศหาตำแหน่งกันหาสรรเสริญเยินยอกันหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะกันพอเรามีกรรมฐานเช่นอนุสติพุทธานุสติหรือธรรมานุสติหรือสังขานุสติเนี่ยเราก็จะสามารถดึงใจไว้ไม่ให้ไหลไปกับกระแสของของกิเลสของความโลภความโกรธความหลงได้ แล้วเมื่อใจเราไม่ไหลไปใจเรานิ่งใจเราก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเวลาใจสงบนี้เราจะได้พบกับความสุขอันมหัศจรรย์ใจที่ไม่เคยพบมาก่อนอเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงทรงตัดไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจผู้ใดก็ตามถ้าได้สัมผัสได้เข้าถึงความสุ ข, ขนี้แล้วจะสามารถเลิกหาความสุขทางโลกได้เลิกหาความสุขจากลาบยศสระเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภาชนิดต่างๆได้ น, นี่คือขั้นที่หนึ่งของการปฏิบัติจิตธรรมนา ก็คือทำใจให้สงบก่อนหยุดกิเลสไม่ให้ทำงานชั่วข้าวหยุดใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสของของกิเลสถ้ามีกรรมฐานกรรมฐานนี้จะหยุดกระแสของกิเลสจะแปลงกระแสของกิเลสเป็นกระแสธรรมขึ้นมาเป็นกระแสของกรรมฐานขึ้นมาถ้าเราพุโทโธพุทธถ้าเราสวดไปเรื่อยๆใจมันก็จะอยู่กับบทสวดวนไป สวดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆสงบค่อยๆเย็นการสวด น, นี้อาจจะไม่ได้ทาให้ใจสงบนิ่ง1้อร์ซนแต่อาจจะทำให้สงบ 50% จากใจที่เคยวุ่นวายจากใจที่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พุ้งซ่านพอเราเอามาสวดบทอิติปิโสหรือสวดบทสวดมนต์ต่างๆก็ได้ถ้าไม่ชอบอิติปิโส จะสวดบทแผ่เมตตาก็ได้สัพเพสัตตาอเวลาหโนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรกันเถิดก็ได้หรือจะสวดพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งที่เราชอบก็ได้เช่นถ้าเราจํามงคลลสูตรได้เราก็มาสวดมงคลละสูตรกันก็ได้อาศัยวนาจะบาลานังมันฑิตานันจะเสวนาภูชาจะภูชนลียานังเอตัมังกัลลุมุตตะมัง การสวดมนต์ต่างๆนี้บทสวดมนต์ต่างๆนี้เป็นกรรมฐานท้งนั้นเป็นสมะถะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่จะทำให้ใจสงบได้ในระดับหนึ่งอาจจะไม่รวมเป็นเป็นฌานขึ้นมาเป็นฌานที่สี่แต่ก็อาจจะเป็นฌานที่หนึ่งที่สองถ้าเราสวดไปเรื่อยๆเราก็จะมีวิตกวิจารมีตรมีตองอยู่กับการสวดมนต์ อันนี้ก็เรียกว่าเราเข้าสู่ฌานขั้นที่หนึ่งแล้วเวลาเราสวดมนต์ไปแล้วใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอยู่กับเรื่องที่เราให้สวดคือถ้าเราใช้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติใจเราก็จะอยู่กับพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติถ้าเราอยู่กับบทมงคลละสูตรใจของเราก็จะอยู่กับมงคลละสูตร ถ้าเราจะสวดบทธรรมจักรเราใจก็จะอยู่กับธรรมจักรเนีย่ยบทสวดมนต์ทั้งหลายนี้เป้าหมายที่แท้จริงก็เพื่อทำใจให้สงบไม่ใช่แบบที่คนเขาคิดกันว่าสวดบทนี้แล้วจะหายเจ็บไข้ได้ป่วยสวดบทนี้แล้วจะมีเทวดามาคุ้มครองเวลาไปอยู่ที่น่ากลัวต้องสวดบทนี้แล้วจะปลอดภัยอันนี้เป็นความเข้าใจผิด บาีสวดบทนี้แล้วจะร่ำจะรวยกันถ้าเป็นไปได้ปบบ น, นี้ก็รวยกันไปนหมดแล้วไม่ต้องไปทำอาหากินกันเสียเวลาเหมือนนั่งสวดบทนี้กันหรือสวดบทนี้แล้วจะไม่เจ็บไข้ได้ป่ยวยหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่ยวยสวดบทนี้เราก็จะหายโพ้นชงสวดแล้วหายถ้าสวดหายก็ไปเสียเงินไปจ่ายค่าโรงพยาบาลทำไมไม่ต้องไปรบกวนหมอรบรบปวนพยาบาลให้ยุ่งยากกว่าเปล่า พอเจ็บปวยก็สวดไปเลยโพชงถ้าไปอยู่ที่เสี่ยงต่อภัยอันตรายก็สดวดบทกรณียเมตตาสตรไปมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่ากันหรอกอันนี้เป็นความเข้าใจผิดบทสวดทั้งหมดนี้มันเป็นกรรมฐานเป็นสมถกรรมฐานเป็นเหมือนกับอารมณ์เป็นสมองของใจ ที่จะดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆท่านั้นเองและสิ่งที่เราได้จากกรรมฐานนี้ดีกว่าสิ่งที่เราได้จากสิ่งที่เราอยากได้กันคือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองร่างกายหายเจ็บหายไขย้หายป่วยนี้สู้กับสิ่งที่เราได้จากการสวดกรรมฐานยอยู่กับ บ, บทสวดกรรมฐานไม่ได้เพราะสิ่งที่เราได้คือความสุขใจความสุขใจที่จะทําให้เราไม่ทุกไปกับความ เก็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายอะไรจะดีเท่ากับความสุขใจไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าการสวดนี้เพื่อให้เราร่ํารวยเพื่อให้เราปลอดภัยแก้วค่าปลอดภัยเวลาเดินทางขึ้นเครื่องก็สวดกันไปนี่แต่คนขับเมางนี้เดี๋ยวก็ชนกันมันไม่ได้อยู่ที่การสวดหรอกเรื่องการไปเจออุบัติภัยต่างๆ อุบัติเหตุต่างๆเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ต่อให้สวดเก่งขนาดไหนก็ตามพระพุทธเจ้าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พระอรหันตสาวกก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอรหันต์นี้ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตาย ไม่หวั่นไหวกับการที่เป็นไม่มีเงินมีทองไม่เดือดร้อนไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายเพราะมีความสงบมีการสวดกรรมฐานกันนี่คือเรื่องกรรมฐานที่เป็นอารมณ์ที่จะทําให้ใจสงบใจไม่วุ่นวายส่วดบทไหนก็ได้ที่เราชอบใจ หรือถ้าเราไม่อยากจะสวดยาวเพราะใจเราไม่ฟุ้งแล้วใจเราเฉยๆแล้วเราก็เอาสวดแบบสั้นๆคําเดียวก็ได้เช่นเจริญพุทธานุสติด้วยคําบริกรรมว่าพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเรียกว่าการเจริญพุทธานุสติพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือถ้าเราอยากเราชอบธรรมโมก็ธรมโมธรรมโมไปชอบสังโฆก็สังโฆไป โดยชาบทั้งสามก็เอาพุโ ท, ทโธธโมสังโฆไปก็ไดหโืยชอบพุทธังสรนังกาฉามิธัมมังสรนังกะฉามิสังฆังสรนังกะฉามิกระด้สวดไปการสวดนี้จะยับยั้งใจที่ฟุ้งซ่านได้แต่ถ้าใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วการสวดนี้อาจจะไม่เกิดประโยชน์มากกว่าการที่เรามาดูอะไรสักอย่างหนึง่ง เช่นมาเพ่งดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้ที่หน้าท้องของเราก็ได้อันนี้เราเรียกว่าอาณาปณาะาสติอาณาปณะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือให้กให้ระลึกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอนุสติอยู่ในกลุ่มของอนุตอานาานาสติอาณาปณะสติให้มีสติระลึกรู้อยู่กับลมเข้าลมออก รู้อยู่ที่ตรงไหนก็มีอยู่สองจุดที่เราเลือกได้เลือกจุดใดจุดหนึ่งแล้วอย่าไปเปลี่ยนเอาอยู่อยู่ที่จุดเดียวถ้าจะเอาที่ปลายจมูกก็อยู่ที่ดูที่ปลายจมูกเพราะลมเข้าลมออกมันจะต้องผ่ า, านทางทางทวารก็คือปลายจมูกนั่นเอ ง, <S <S เ, องเวลาลมเข้ามันจะสเราจะรู้สึกได้สังเกตได้ ว, ว่ามีลมเข้ามาเวลาลมออกเราก็จะสังเกตได้ว่ามีลมออกไป ก็ให้ดูให้เฝ้าดูอยู่ที่ลมอย่างเดียวดูลมเข้าดูลมออกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้หายใจลึกๆหายใจยาวๆนี่อย่าทำทาไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของการภาวนาหน้าที่ของการภาวนาคือให้ดูเฉยๆให้จิตดูเฉยๆให้จิตพักการทำงานไม่ให้ไปบังคับไปควบคุมบังคับลมให้หายใจลึกหายใจยาว ให้ปล่อยให้มันหายใจไปเป็นธรรมชาติของมันเราเพียงต้องการใช้ลมเป็นที่ผูกใจเป็นเหมือนสมอเรืเลอลมนี้ก็เป็นเหมือนสมอใจอย่างหนึง่งกรรมฐานทั้งหมดนี้เป็นสมอใจสมอใจที่ดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปตามความโลภความโกรธความหลงต่างๆถ้าจะดูลมที่ปลายจมูกก็ให้ดูดเฉยๆดูว่ากำลังเข้าหรือกาลังออก อย่าไปดูอย่าไปคิดอย่างอื่นนะต้องรู้ทุกขณะเข้าออกว่าตอนนี้ลมกําลังเข้าลมกําลังออกแล้วถ้าลมหยาบก็รู้ว่าก็หยาบลมหยาบก็คือลมมันมันมันสั้นเวลาหายใจสั้นๆนี่ลมจะหยาบแล้วเวลานั่งไปเรื่อยๆต่อไปใจมันจะสงบลงอาการของลมหายใจก็จะเบาลงมันก็จะยาวขึ้นแล้วก็เบา ราก็เรียกว่าลมละเอียดลมหยาบลมละเอียดไม่ต้องไปควบคุมไปสั่งให้มันหยาบไม่ไปสั่งให้มันละเอียดรู้เฉยๆแม้กระทั่งเวลาที่ลมมันหายไปก็รู้เฉยๆรู้ตรงจุดเดิมรู้ตรงที่ปลายจมูกว่าตอนนี้ไม่มีลมแล้วก็รู้ไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องดาบใดที่เรามีสติรู้อยู่ไม่มีวันตายมันเป็นช่วงที่ลมมละเอียดมากจนกระทั่งเราไม่สามารถจับมันได้ทั้งนั้นเอง แต่ยังมีการหายใจอยู่ไม่ตายแล้วช่วงนั้นถ้าเราดูไปไม่นาน<ม>เดี๋ยวมันก็จะมันก็หยุดหยอกมันจะฟุบลงไปมันหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วใจก็จะนิ่ง<ม>ก็จะสงบขึ้นมาทันทีเวลามันเกิดอาการเหล่านั้นก็ไม่ต้องตกใจให้รู้เฉยๆเพราะตกใจแล้วมันจะทําให้ใจถอนออกมามอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวให้รู้เฉยๆว่านี่เป็นอาการของลม นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการภาวนาเวลาที่ใจจะสงบมันมักจะมีอะไรที่มันรู้สึกแปลกๆรู้สึกหวาดเสียวหรือน่ากลัวบ้างแต่ไม่เป็นไรให้รู้เฉยๆเท่านั้นเองแล้วพอมันผ่านไปแล้วมันก็จะนิ่งสงบจะเย็นจะสบายมีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมีอเบกขาใจวางเฉยตอนนั้น ความโลภความโกรธความหลงความรักความชังนี้หายไปหมดไม่มีการทำงานใจเป็นอุเบกขาขึ้นมาสักแต่ว่ารู้ขึ้นมาเป็นอารมณ์เดียวเรียกเอกคัตตารมเราจะเข้าถึงจุดนี้ได้ส่วนใหญ่ต้องต้อ ง, ต, องต้องใช้อาศัยการเพ่งดูลมหรือถ้าใช้พุโทโธตั้งแต่ต้นก็ได้ถ้าพุโทโธนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนมาไม่ต้องเปลี่ยนถ้าเราเริ่มต้นที่พุโทโธล้วก็พุโทโธไปเรื่อย จนกว่าจะเกิดอาการรู้สึกตกหลุมตกบอ่อตกเหวขึ้นมาแล้วใจก็จะนิ่งสงบเหมือนกับการดูลมหายใจเข้าออกจะเกิดความสุขที่เป็นความสุขที่มา จ, จันใจอย่างยิ่งจะไม่ต้องถามใครว่านี่เป็นความสงบหรือไม่อย่างไรมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเจอมาก่อนถ้ายังไม่เคยเจออย่างนี้ก็ยังถือว่ายังไม่สงบเต็มที่ บางครั้งบางคราวมันอาจจะไม่ได้สงบแบบแบบนี้มันอาจจะสงบเป็นขั้นขั้นเหมือนทีละเล็กเที่ยน้อยใจเบาลงเย็นลงความคิดน้อยลงมีความสุขขึ้นมามากขึ้นตามลำดับอย่างนี้ก็เป็นไปได้ความสงบนี้มันมีหลายลักษณะด้วยกันมันจะไม่เหมือนกันทุกครั้งที่เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกำหนดไปบังคับ ว, ว่านั่งแล้วจะต้องรวมจะต้องตกลุมูกบอ่อตกเข็ม จะต้องหายใจเฮือกสุดท้ายอะไรทานองนี้ไม่ต้องไปกาหนดมันแล้วแต่จิตมันจะเป็นไปของมันเองหน้าที่ของเราก็คือยึดอยู่ให้ยึดติดอยู่กับกรรมฐานให้เรามีกรรมฐานคอยควบคุมใจตั้งแต่เริ่มต้นอย่าทิ้งกรรมฐานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิถ้าเราอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือความสงบของใจถ้าเราหยุด เราทิ้งกรรมาฐานเมื่อไหร่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อไหร่เราจะหยุดที่ตรงนั้นเราจะไปไกลกว่าตรงนั้นไม่ได้เช่นบางคนนั่งไปแล้วเดี๋ยวเกิดเห็นเสียงขึ้นมาได้ยินเสียงขึ้นมาเลาเห็นรูปขึ้นมามเห็นอะไรขึ้นมามก็หยุดกรรมาฐานไปตามรูปไปตามเสียงอันนี้มันก็จะถูกความหลงหลอกไปล่ะจะไม่สามารถเท่าสมาธิได้แล้วก็ไปหลงไปคิดว่าไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ขึ้นา่า อย่าทิ้งกรรมาฐานไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่ในขณะที่เราจเจริญกรรมาฐานนั่งดูลมหายใจก็ดีนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธก็ดี mm hmm. เวลามีความรู้สึกอะไรแปลกๆขึ้นมาน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวก็ตามไม่ต้องไปสนใจทั้งนั้นมันเป็นมายาหลอกเรามันไม่ได้เป็นของจริงเขาเรียกว่า ผีหลอกไม่จริงผีจริงไม่หลอกเนีถ้าเกิดคิดว่ามีผีเข้ามาไม่ต้องไปกลัวมันไม่มีผีเข้ามาหรอกใจมันสร้างผีขึ้นมาหลอกใจเองไม่ต้องไปสนใจตราบใดถ้าเราอยู่กับกรรมฐานแล้วใจของเราจะปลอดภัยใจเราจะนิ่งจะเฉยไม่ต้องไม่หวาดกลัวถ้าหวาดกลัวก็เกาะติดกับกรรมฐานไป <c oughs> อย่าทิ้งกรรมฐานถ้าอยากจะภาวนาเพื่อให้ได้ผลถ้าอยากจะได้ความสงบ <c oughs> ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิก็ตามแล้วไม่ต้องไปสนใจศึกษาว่ามันเป็นอะไรมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันไม่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องไปรู้เสียเวลาเปล่าๆให้รู้วิธีรักษาใจให้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆดีกว่าว่าตอนนี้เราประคับประคองใจให้อยู่กับกรรมฐานต่อไปได้หรือเปล่าเวลาเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เรายังเกาะติดอยู่กับกรรมฐานได้หรือเปล่า หรือเราไปแล้วถูกความเจ็บหนึ่งไปแล้วอยากจะให้ความเจ็บหายไปแล้วหรือเวลาไปเจอร่างกายนั่งแล้วคันตรงนั้นคันตรงนี้อยากจะเกาขึ้นมาแล้วอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับกรรมฐานแล้วถ้าอยู่กับกรรมฐานก็ปล่อยให้มันคันไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคือกรรมฐาน สนใจอยู่กับพุทธโธพุทธโธสนใจอยู่ก็ดูลมหายใจเขาออกไปนะเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมามันก็จะหายไปเองเพราะมันเป็นทุกขังมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกเพราะเราไปยุ่งกับมันถ้าเราไม่ยุ่งกับมันมันก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไปอยากไปตามมันอยากจะให้มันหายไปอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่ไปนสนใจปล่อยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปปล่อยให้มันเป็นไปตามอนัตตาตามความเป็นจริงของมันนี่เรียกว่าการภาวนาส ม, มะถะภาวนาโดยใช้กรรมฐานที่เป็นอารมณ์ของความสงบเช่นพวกอนุสติต่างๆเช่นอนาปนาสติพุทธานุสติ เป็นต้นแล้วอนุสติบางอย่างก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้เช่นมรณานุสติถ้าเรานึกถึงความตายนี้มันจะเป็นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนามันจะทําให้เราเห็นความจริงของของร่างกายเราว่าร่างกายของเราทุกคนในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาเป็นปัญญาด้วยแล้วเป็นสมาธิด้วยถ้าเราสามารถเราเลิกถึงความตายได้ เอ้ยเราเกิดมาแล้วจะต้องตายไปเป็นธรรมดาเรื่องพ้นความตายไปไม่ได้ลองท่องบทนี้ไปก็เรียกว่าเรากำลังเจริญมรณะนุสติระลึกถึงความตายการความตายนี้มันเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงจะจะเห็นตายลักขึ้นมาทันทีจะเห็นอริยาาสัจสที่เราที่ใจเราทุกข์กับความตายเพราะเราไม่อยากตาย ถ้าเราเห็นว่ามันต้องตายแล้วห้ามมันไม่ได้เราก็ยอมเราก็ไม่มีความอยากแล้วก็หยุดความอยากไม่ตายได้เพราะความอยากไม่ตายไม่ได้ทำให้ร่างกายไม่ตายแต่มันจะทำให้ใจทุกข์ถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่ตายปล่อยมันตายไปถึงเวลามันจะตายไม่มีใครในโลกนี้มาห้ามได้ต่อเท้ามหาพรมต่อให้มีพระพุทธเจ้าสิบองค์มานั่ง ก็หยุดความตายไม่ได้ร่างกายของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์นี้ตายด้วยกันหมดแต่ท่านไม่แต่ท่านไม่ทุกข์กับความตายเพราะท่านเห็นความจริงเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราปล่อยวางความตายให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงอย่าไปบังคับอย่าไปอยากให้มันไม่ตาย พอมันจะสร้างความทุกข์อันใหญ่โตขึ้นมาในใจนั่นเองอั น, นี้ก็อนุสติบางอย่างก็เป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสนาทำให้ใจสงบได้เวลาใจเราฟุงา้งซ่านพอคิดถึงความตายนี่บางทีหายฟุ้งเลยไปฟุ้งทำไมไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นทำไมเดี๋ยวก็ตายแล้วพอคิดแค่นั้นมันก็หายฟุ้งได้หายเครียดหายทุกข์ได้อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่า ระงับทำใจให้สงบด้วยปัญญาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิถ้าเราใช้กรรมฐานที่เป็นอารมณ์ของของปัญญาอารมณ์ของวิปัสสนานี้เท่ากับเรากำลังเจริญปัญญาอบรมสมาธิถ้าเราใช้อนุสติที่เป็นอารมณ์เช่นพุทธานุสติหรืออาณาปณะสันติเรากำลังใช้สติเพื่อทาใจให้สงบเป็นสมาธิ การทำใจให้สงบเป็นสมาธิจึงมีสองแบบเขาเรียกว่าด้วยการเจริญกรรมฐานที่เป็นที่เป็นอารมณ์ของความสงบคือการใช้สติเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้ก็จะทำให้ใจสงบได้เป็นสมาธิได้หรือละลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธไปมันก็จะทำใจให้สงบได้นะ โดยที่ไม่ต้องใช้ปัญญาแต่บางทีใจเราไปเครียดไปทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้พอให้จเจนนริญมรณาโนตสติปั๊บหายเคยรียดเลยหายทุกข์เลยหายกังวลเลยเดี๋ยวนายที่สุดก็ตายไปตายไปแล้วปัญห า, าต่างๆมันก็ไม่ตามเราไปแล้วมันก็อยู่ในโลกนี้ต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ปัญญาใช้กรรมฐานที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา เห็นเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตอันนี้จังทุกขังอนาตตาเห็นเห็นอริยาศาสตร์เห็นความทุกข์ของใจเกิดไปไปเกิดจากความอยากอยู่อยากที่จะทำอะไรต่างๆพออยู่ไม่ได้ก็ก็จะทุกข์ขึ้นมาพอยอมพอยอมไปยอมทุกข์ยอมตายมันก็หายทุกข์ขึ้นมาได้ น, นี้ก็เป็นอารมณ์ อนุสตินี่มีอยู่สิบชนิดด้วยกันบางอารมณ์ก็เป็นของวิปัสสนาได้เหมือนกันเช่นอานาปนสติถ้าเราวิเคราะห์ถ้าเราจะวิเคราะห์มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นมอนานุสติได้เหมือนกันเช่นหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายอันนี้ก็เป็นได้ทั้งสมถะและเป็นได้ทั้งวิปัสสนาแล้วแต่เราจะใช้แบบไหน ถ้าใช้แบบสมถะก็ดูเฉยๆไม่ต้องวิเคราะห์ืูว่ามันเข้ามันออกแต่ถ้าจะใช้วิปัสสนาก็วิเคราะห์ออกมาถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกอะไรจะเกิดขึ้นมาความตายก็ตามมาหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าอะไรจะเกิดตามมาก็คือความตายชีวิตมันก็อยู่แค่ลมหายใจแล้วไม่มีใครจะหายใจไปได้ตลอดวันหนึ่งมันต้องเหนื่อยมันต้องหมดแรง หมดแรงหายใจเมื่อไหร่มันก็หยุดหายใจเท่านั้นเองพอหยุดหายใจความตายของร่างกายมันก็เกิดขึ้นไม่มีใครไปยับยั้งมันได้ร่างกายพอมันแก่ลงไปเรื่อยๆเรียวแรงมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีแรงที่จะหายใจเมื่อมันหมดหมดแรงที่จะหายใจมันก็หมดลมลมก็ไม่เข้าหายใจเข้าไม่ได้พอหายใจเข้าไม่ได้หายใจออกไปแล้วหายจะไม่ ไม่หายใจเข้ามันก็ตายเท่านั้นเอง mm hmm. นี่ก็คือกรรมฐานที่มีอยู่40ชนิดด้วยกันที่เราสามารถที่จะไปค้นคว้าหาดูได้สำหรับบางคนนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องกามารมณ์มากอยากจะเสพกามเรื่อยอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้นั่งสมาธิใจก็ไม่สงบใจก็ฟุ้งซ่าน ก็ให้เจริญอสุภะกรรมฐานออสุภะอารมณ์ที่เป็นวิปัสนาอารมณ์ที่ทําให้เห็นแล้วมันจะทําให้ใจระงับอารมณ์กลามอารมณ์ได้เช่นเห็นซากศพนี่ <c oughs> ถ้าเห็นคนสวยงามงามกายเป็นซากศพไปนี่ยังจะเก็บเขาไว้อยู่กับเรารือเปล่ายังอยากไปนอนกับเขารือเปล่าพอรู้ว่าเป็นซากศพท่านั้นยกให้สับปเปลเรเลยออ แต่เวลายังมีลมหายใจนี่ใครมาขอไม่ได้นะใครมาแตะไม่ได้หวงแต่พอไม่มีลมหายใจแล้วยกให้ฟรีเลยยกให้สับปปเหล่าไปเลยยกให้วาดไปเลย<ม>ต้องพิจารณาเวลาที่ร่างกายตายแล้วมันเป็นยังไงถ้าไม่ได้ไปเอาไปไปฝังไปเผานี่มันก็จะขึ้นอืดเวลามันก็จะเขียวช้ำขึ้นมาแล้วก็ อุดพองขึ้นมาแล้วก็แตกมีรอยมีน้ําอะไรต่างๆไหลออกมาต่างๆถ้าทิ้งไว้ในปา่าช้าก็อาจจะมีหมามากัดมาแท้มีหนอนมาชัยมีมดมาขึ้นมีตายมาแีแมลงมาตอมมันก็จะค่อยๆผุค่อยๆเปื่อยไปจนกระทั่งในที่สุดก็เหลือแต่ครงกระดูกอันนี้ก็คือเรื่องอสุภะกรรมฐานอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา ใครสามารถพิจารณาอาการอสุพาสสิบได้นี่ก็สามารถที่จะปราบการมาลมได้ความอยากจะร่วมหลับนอนกับใครนี้มันจะหายไปหมดถ้ามองเห็นร่างกายของคนที่เราอยากจะร่วมนอนว่าเป็นเหมือนซากศพดีๆนี่หรือเห็นอาการสามสิบสองเห็นส่วนที่มีผิวหนังหุ้มห่อไว้อยู่มองไม่เห็นใต้ผิวหนัง ลองนึกถึงภาพที่อยู่ใต้ผิวหนังว่ามีอะไรบ้างใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีหัวใจมีอาหารใหม่อาหารเก่ามีสมองศีรษะแล้วก็มีน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลน้ำมันค้นน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำขายข้อน้ำมูด นู่นแต่เป็นของที่สโปรกของที่ไม่ไม่น่าดูน่าชมทั้งนั้นแต่เรามองไม่เห็นเราก็เลยไปลหลงไหลกันถึงขั้นเอาไปประกวดเป็นนางงามนา ง, นางงามนายงามกันประกวดความสวยงามของร่างกายแท้จริงก็ประกวดสิ่งที่มันมีสโปรกอยู่ในร่างกายของเรานีเองเแต่ว่ามองไม่เห็นกันไม่นึกกันทั้งนั้นเองก็เลยคิดว่ากําลังไปมองเห็นของที่สวยๆงามๆแต่คนที่มองเห็นอาการสาสบสองแล้วนี่ จะรู้ว่าร่างกายนี้มันไม่ได้สวยไม่งามอย่างที่เห็นกันเลยสวยแต่ภายนอกสวยแต่ผิวนั่นเองพอมองเข้าไปใต้ผิวแล้วไม่มีอะไรสวยงามสักอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเป็นวิปัสสนากรรมฐานก่อนที่เราจะไปที่วิปัสสนากรรมฐานได้นี้ใจเราต้องมีต้องมีความสงบก่อนเพราะถ้าไม่มีความสงบเราดูไม่ได้ของเหล่านี้เห็นแล้วมันจะเกิดอาการหดหู่ เกิดอาการรู้สึก ส, สิ้นเสือรู้สึกไม่สบายใจท่านบางคนไปดูไปดูที่โรงพยาบาลไปดูเขาผ่าศพนี่บางทีดูแล้วบางคนก็อานจีนออกมาก็มีบางคนึงกับต้องออกมาจากห้องไม่กล้าดูเพราะแสดงว่าใจยังไม่สงบพอใจยังไม่แข็งพอยึงต้องผ่านทางสมถะภาวนาก่อนต้องสร้างความสงบให้กับใจให้ได้ก่อน ถ้าใจสงบใจมีโอเบขาแล้วใจจะวางเฉยได้เห็นอะไรก็ไม่เห็นเห็นอะไรที่จะน่าเกลียดน่ากลัวก็ไม่เดือดร้อนเห็นอะไรที่สวยที่งามก็ไม่เกิดอาการอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเพราะมีกำลังของสมาธิคอยควบคุมใจให้นิ่งเฉยๆได้ังนั้นคนที่จะไปทางวิปัสสนากรรมฐานนั้นนี่จเป็นจะต้องมีใจที่เย็นที่แข็งก่อน ถ้าใจยังไม่เย็นใจยังไม่แข็งไปไปไม่ได้ไม่กล้าดูไม่กล้ามองเมื่อไม่ดูไม่มองก็จะไม่เห็นความจริงก็จะถูกความหลวงหลอกให้คิดว่าเป็นร่างกายที่สวยงามแล้วก็จะลหลงไหลไปรักไปชอบแล้วก็ไปทุกข์กับร่างกายที่เราไปรักไปชอบเวลาที่เขาเวลาที่เขาเไม่อยู่กับเราเวลาที่เขาจากเราไป ก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่เขาอยู่แล้วถ้าเกิดเขาไปไปสนใจคนอื่นก็จะทําให้เราเสียใจทําให้เรากังวลทําให้เราหึงห right ึวงขึ้นมามีแต่ความทุกข์ถ้าเราไปหลงลักร่างกายของใครครับถ้าเราหลงรักแล้วเราอยากจะเลิกหลงรักก็ลองพยายามมองดูว่าอสุภาสิตหรือมองดูอาการสาสบสองของร่างกายดู ถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยงามต่างๆของร่างกายแล้วมันก็จะคลายความหลงลงไปได้คลายความรักความชอบลงไปได้จนกระทั่งเลิกเลิกเลิกได้เลยเลิกเลิอกอยู่กับใครก็ได้เลิกเคยเคยต้องอยู่กับคนนั้นคนนี้พอเห็นว่าเขาเป็นเขามีอาการ32อยู่กับโครงกระดูกอยู่กับตับอยู่กับไตยอยู่กับลำไส้ก็ไม่อยู่ดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่า อันนี้ก็คือวิปัสสนากรรมฐานนี่ยนะคือศัพท์ต่างๆที่เราใช้กันซึ่งคนที่ไม่ได้ศึกษารายละเอียดก็มักจะพูดใบแบบตามความรู้สึกนึกคิดวันนี้ไปนั่งกรรมฐานสักหน่อยวันนี้ไปนั่งสมาธิสักหน่อยไปนั่งวิปัสสนาสักหน่อยซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่ากำลังไปนั่งอะไรกันนะไปนั่งสมาธิหรือไปนั่งวิปัสสนาส่วนใหญ่ก็มักจะไปนั่งสมาธิกัน ก็เป็นขั้นต้นก่อนเพราะการจะไปนั่งวิปัสสนาได้นี้มันต้องผ่านขั้นสมาธิให้ได้ก่อนถ้านั่งสมาธิยังไม่ได้นี้ไปนั่งขั้นปัญญาไม่ได้รถ้านั่งปัญญาก็ได้แค่ว็บเดียวคิดถึงความตายได้ครั้งสองครั้งก็พอแล้วไม่อยากจะคิดแล้วดูอาการสามสิสองได้ว็บเดียวก็ไม่อยากจะดูแล้วน<ม>ั้นส่วนใหญ่การเริ่มต้นนี้เราจึงไปนั่งสมาธิกันก่อน และการจะนั่งสมาธิได้เราก็ต้องมีกรรมฐานมีสมอใจเราต้องทอดสมอใจมีอารมณ์ที่เราจะผูกใจเอาไว้เช่นอาณาปณสติถ้าเราช่วงที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ต้องเจริญสติเหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธิตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็เปลี่ยนกรรมฐานจากอาณาปณสติมาเป็นกายกตาสติ กายะกตาสติแปลว่าอะไรก็การมีสติอยู่กับกายนี้เองอยู่กับร่างกายของเราเนี่ยอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายให้ดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็คอยเฝ้าดูเหมือนอย่าอย่าทิ้งร่างกายอย่าคอยเฝ้าดูร่างกายทุกอิริยาบถไม่ใช่เดินไปแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้อย่างนี้เรียกว่าการเดินแบบไม่มีสติ ถ้าเดินแบบมีสตินิจใจต้องอยู่กับร่างกายทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวเช่นช่วงช่วงที่เราเดินจงกรมนี่เราก็ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของการของร่างกายคือการเดินไปเดินมาดูที่เท้าก็ได้ตอนนี้กําลังก้าวก้าวเท้าไหนดูกําลังก้าวเท้าซ้ายกําลังก้าวเท้าขวาบางแห่งก็สอนละเอียดกันนั้นให้ดูแบบขั้นยกขึ้นวางหนอยกขึ้นวางหนอยกขึ้นก้าวไปวางหนอ อันนี้ไม่จำเป็นต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้ให้รู้ว่าตอนนี้กำลังอยู่ใช้เท้าเท้าไหนเดินอยู่ตอนนี้ใช้ก้าวก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปดูเท้าแล้วก็ดูข้างหน้าด้วยว่ามีต้นไม้มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ดูข้างหน้าดูแต่เท้าเดี๋ยวเดินไปชนนู่นชนนี่ได้ก็ต้องดูทั้งสองส่วนด้วยกันดูทั้งทางหรือที่เรากาลังเดินอยู่ แล้วก็ดูดูร่างกายของเราว่ากำลังทำอะไรถ้าไม่ได้เดินถ้าเรากำลังกวาดกวาดอะไรกวาดกวาดกุฏิกวาดที่พักกวาดทางเดินก็ดูการทำงานของร่างกายไปตอนนี้กำลังกวาดกุฏิกำลังกวาดทางเดินหรือถ้าช่วงไปอาบน้ำก็ให้อยู่กับการดูร่างกายว่ากำลังอาบน้ำกำลังตักน้ำกำลังเทน้ำกำลังฟอกสบู่กาลังถูตัว ให้มันอยู่ทุกขั้นตอนของการกระทําของร่างกายหรือกําลังรับประทานอาหารก็ดูว่ากําลังตักอาหารจากจานเข้าปากกาลังเคี้ยวกําลังกลืนต้องทําอย่างนี้ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่วนยานิสัยของเราชอบทำสองอย่างพร้อมกันไปกินอาหารไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นรนหรือไม่ถ้านั่งกินกับคนอื่นก็คุยกันไปคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้อาหารก็กินไป ใจก็ลอยไปลอยมาไม่มีกรรมฐานไม่มีสมอใจดึงใจไว้ให้อยู่เฉยๆไปกับเรื่องราวต่างๆ mm hmm. เราต้องมีสมอใจเพื่อมีกรรมฐาน mm hmm. ก็คือถ้าเราถ้าเราไม่ได้นั่งเราก็ต้องใช้กายกัตาสติให้มีสติเราเลือกรู้อยู่กับร่างกายตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าพอลืมตาขึ้นมาดูว่าตอนนี้ร่างกายเราอยู่ในท่าไหนแนละ้วเข า, าอยู่ในท่านอน พอจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้แล้วว่ากําลังลุกขึ้นมานั่งกําลังนั่งอยู่ก็รู้กําลังนั่งอยู่กําลังจะยืนก็รู้ว่ากำลังจะยืนยืนแล้วก็รู้ว่ายืนกําลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกําลังไปเข้าห้องน้ําก็รู้กําลังเข้าห้องน้ํากําลังล้างหน้าแปรงฟันก็รู้กําลังขับถ่ายก็รู้ให้รู้อยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายตลอดเวลาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญกายกตาสติเป็นการเจริญสติ เป็นการปฏิบัติสมาธิโดยที่ไม่ได้อยู่ในท่านั่งทนั้นเองมันก็จะทําทใจให้สงบได้ในระดับหนึ่งเหมือนกับการสวดมนต์บางคนถ้าไม่ใช้กายากตาสติใช้พุทธานุสติก็ได้ใช้แทนกันได้พอตื่นขึ้นมาก็เริ่มพุทโธไปเลยเืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นยืนเดินไปเข้าห้องน้ําอาบน้ําอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปลงฟันไปก็พุทโธพุทโธไป ควบคุมควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวกับอยู่กับพุโทโธแล้วก็อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้ใจเราจะมีสมาธิตั้งแต่เราอย่างไม่ได้นั่งแตงแต่ว่ายังไม่ได้สมาธิแบบเต็มร้อยไม่ได้เข้าฌานขั้นที่สี่แต่อยู่ในขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองอยู่ในขั้นวิวตกวิจารณ์วิตกก็คือการตรึกการรองตึกก็คือวิตก วิจารก็คือการตรองเด็กก็ดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตรองก็รู้ว่าเรากำลังกาลังอาบน้ำกำลังลัางหน้ากำลังแปรงฟันใจถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆอยู่กับ อ, อารมณ์ของกรรมฐานนี้เรากำลังเข้าฌานแล้วโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแล้วเวลาเรามานั่งสมาธิมันก็จะเข้าไปลึกกว่านั้นได้เข้าจากฌานที่หนึ่งเข้าสู่ฌานที่สองที่สาม้นในที่สุดก็เข้าสู่ฌานที่สี่ได้ เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่อันนี้คือการฝึกขั้นต้นคือฝึกสมาธินั่งสมาธิด้วยการใช้กรรมฐานที่เป็นอารมณ์ของความสงบเช่นพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติหรือาอนาปณะสติกายะาตาสติหรือถ้าจิตวิตกกังวลห่วงใยกยกับเรื่องราวต่างๆก็ให้จเจริญ มณาณะนุสติใครน่าเลึกถึงความตายแล้วมันก็จะหายห่วงหายกังวลไม่มีใครอยู่รอดสักคนอไปห่วงไปกังวลทําไมตายหมดทุกคนที่เกิดมาแล้วเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องตายหมดทุกคนไปห่วงไปยายอะไรมันก็ทําให้ยับยั้งความตายไปไม่ได้พอตายแล้วปัญหาต่างๆมันก็จบไปเองมีนี่มีสินอะไรเดี๋ยวตายไปก็จบติดคุกติดตารางกี่ปีพอตายไปเขาเขาไปเขาเขาไปเก็บไว้ในคุกแล้วเขาก็ปล่อยออกมาแล้ว นั้นไม่ต้องไปกลัวหรอกนะเรื่องปัญหาต่างๆที่มีในโลกนี้เดี๋ยวความตายมันมาจัดการให้หมดทุกอย่างเองพอเราเลกถึงความตายได้ความวิตกกังวลความหวาดกลัวความห่วงใ ย, ยมันหายไปหมดเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ใช้มอนานุสติ<ม>เป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งสมาธิทําใจให้สงบทําใจให้ปล่อยวางได้ทําใจให้สบายได้อันนี้ก็คือเรื่องของ การฝึกเบื้องต้นต้องพยายามฝึกสติให้มากๆการสติในทุกวิถีทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวจะใช้พุทธานุสติก็ได้จะใช้กายากระตาสติดูร่างกายก็ได้หรือถ้าเราชอบสวดมนต์ไปภายในใจก็ใช้ได้เหมือนกันตื่นขึ้นมาก็สวดบทใดที่เราชอบไปเลยก็ได้ชอบสวดบทแผ่เมตตาก็สวดไปสเพสตาเวลาขนตุกไป สวดไปแล้วก็ไปทําภารกิจต่างๆสวดในใจเนื้ออย่าไปสวดออกเสียงเพราะเดี๋ยวชาวบ้านก็จะหาว่าเราบ้าแล้วไม่ไ ม, ไม่สุภาพไม่ไม่สำรวมสวดไปภายในใจนี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติถ้าสวดภายนอกนี้คนไม่รู้เขาจะว่าเราไม่สํารวมไม่มีสติแต่ความจริงเรามีสติแต่เขาไม่รู้ดงนั้นเวลาจเจริญกรรมฐานนี้เราจึงมักจะไม่ออกเสียงกันเราจะทําไปภายในใจของเราตลอดเวลา คนภายนอกจะไม่ร okay. so <rebels>. so ู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เขาไม่รู้ว่าใจของเรากําลังทํำอะไรอยู่ใจของเรากำลังฟุ้งกําลังเครียดกําลังโลภกําลังโกรธหรือว่าใจของเรากําลังอยู่กับกรรมฐานถ้าเรามีกรรมฐานอยู่ในใจใจเราจะเย็นความโลภความโกรธความหลงนี้จะเกิดขึ้นมาได้ยากเวลาที่ความโลภความเกิดความหลงมันเกิดขึ้นมาแสดงว่าเราเราทิ้งกรรมฐานไปแล้วกรรมฐานหายไปแล้วฉนั้นรีบกลับมาหากรรมฐานทันที เวลาโกรธใครเวลาเสียใจรีบกลับมาหากรรมฐ า, านทันทีกลับมาพุทโธก็ได้กลับมาหากายะกะตาสติก็ได้กลับมาหาโมนานุสติก็ได้บางทีมันเครียดมันทุกข์พอมนนึกถึงความตายมันก็หายเครียดหายทุกข์ได้แสดงว่าเวลาที่เรามีความทุกข์ใจแสดงว่าเราไม่มีกรรมฐ า, านอยู่ในใจของเราเราต้องรีบดึงกรรมฐานกลับมา ในเบื้องต้นเราก็ต้องพยายามฝึกกรรมฐ า, านไว้ก่อนให้มันอยู่กับใจเราไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนเวลาที่เราต้องการกรรมฐานมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นมาเพราะเราไม่เคยเคยฝึกไว้ก่อนนั่นเองเหมือนกำนักมวยไม่เคยซ้อมชกไว้ก่อนเราค่อยวินีจะไปปล่อยหมัดก็ปล่อยไม่ออกะตอนคู่ต่อสู้เขาปล่อยอย่างเดียวกิเลสนี่มันมันคู่ต่อสู้ของเรามันปล่อยหมัดของเราของมันอยู่ตลอดเวลา มันปล่อยความโลภกออกมาปล่อยความโกรธออกมาปล่อยความหลงออกมาตลอดเวลาแต่เราไม่มีหมัดไปสู้กับมันเลยเราไม่มีกรรมฐานที่จะไปสู้กับมันเลยเพราะเราไม่ฝึกไม่ซ้อมกันเอาไว้ก่อนเราต้องมาฝึกมาซ้อมกันเช่นวันพระวันเนี้ยเป็นวันที่พระเจ้าบอกให้หยุดทํางานกันหนึ่งวันแล้วเวลาที่ว่างเนี้มาฝึกกรรมฐานกันมาเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาฝึกกรรมฐานให้มีกรรมฐานอยู่ในใจ กรรมฐานชนิดไหนก็ได้ที่เราชอบถูกใจเรา <Yeah. S 2> เพราะว่าบแต่ละคนมีจริตนิสัยไม่เหมือนกันบางคนชอบมานานุสติบางคนชอบพุทธานุสติ <Yeah. S 2> บางคนชอบอาการสาสิบสองบางคนชอบอากศพสิบชนิด <Yeah. S 2> ได้ทั้งนั้นบางคนชอบเมตตาก็ได้แผ่เมตตาไปทั้งวันเลยเจอใครก็ยิ้มอย่างเดียวใครจะพูดใครจะด่าก็ยิ้มอย่างเดียวแผ่เมตตาสัเพสตาเวลาหหนตุ yeah. ไม่มีเว้กันเถิดสุขีอะตานังปริหะรันตุยังมีแต่ความสุขเถิดอันนี้ก็เป็นกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานพรหมวิหารสี่นี่ก็เป็นกรรมฐานเมตตากรุณามุญิตาอุเบกขานี่คืออารมณ์ต่างๆที่จะคอยควบคุมใจให้อยู่ในความสงบให้ใจมีความเย็นมีความสุขไม่ให้ใจไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆถ้าใจมีกรรมฐานไป ตลอดเวลาใจก็จะไปถึงนิพพานในที่สุด้อกจากนี้จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้เมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆแล้วใจก็ถึงนิพพานนิบานังประมังสุขขังใจก็จะได้พบกับความสุขที่เป็นความสุขที่บรมมงสุข เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดแล้วก็อยู่ไปตลอดอย่างนั้นเป็นความสุขที่จะทำให้มีมีความอยากที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไปจะไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะไม่มีเหตุที่จะดึงให้กลับมาเกิดคือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเพราะถูกกรรมฐาน คือกรรมฐานของสมถะภาวนาและกรรมฐานของวิปัสสนากําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีในใจจนหายหมดไปสิ้นไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจต่อไปนี่แหละคือเรื่องของกรรมฐานที่เรามาพูดกันวันนี้เรื่องของสมาธิเรื่องของวิปัสสนาก็เป็นเรื่องของการภาวนานี่ยเองภาวนานคือการยกระดับจิตใจหรือชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ให้จิตใจกายเป็นนิพพานขึ้นมานี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวารวาหาปุราริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกัปติ อิชิตังปัติตามตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปันาระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพารโควีนัสตุมาเตภวัตตวันตระโยสุขีธีกายุโกภวะ าพิวาทนาสีริตสานิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรร ม, มวะทานติอายุวโนโสุขางพาลาัช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครฟังทำแล้วยังไม่เข้าใจในบางเรื่องบางอย่างก็ถามได้ ถามเองก็ได้เนื้อเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือส่งเข้ามาทางเพจทางย t u b e ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบนมัติการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมหนาคุติจากเฟซบพระอาจารย์ห้ารอยเจ็ดสิบเก้าท่านทาง y o u t u หนึ่งรอยเก้าสิบท่าน ทาง y o u t u ด e Dr. V c h a n ว e ชาแน้อยท่านวิทยุออนไลน์สิบท่านครับเาแนาะคุติ95สห้ารวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันยสิบห้าท่านเจ้าค่ะมีคำถามฝากถามจากคุณอดรีวันเจ้าค่ะคำถามการที่เราเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้ไม่โตอตอบ ยอมคนมันทำให้เราถูกเอาเปรียบคนอื่นมองว่าเราไม่สู้คนไม่มีความเป็นผู้นำไม่เด็ดขาดแต่เรารู้ตัวเพราะเวลามีเรื่องมากระทบทำให้ไม่พอใจไม่ชอบใจเราจะพิจารณาทันทีที่เราทุกข์เพราะความอยากเราจะพิจารณาสมุทยัยเราจะตามดูขันห้าที่ทำงานความคิด การปรุงแต่งเกิดเวทนาต่างๆพอเราพิจารณาเสร็จเราเลือกที่จะวางช่างมันมาเลยทำให้เราดูแปลกมันย้อนแย้งกับทางโลกเราไม่อยากต่อสู้เพราะไม่อยากทำให้เกิดภพชาติอีกทำแบบนี้มันโอเคไหมคะหรือเราต้องหาตรงกลางให้เจอ บางทีเราเดินช้าๆพิจารณากายพอคนอื่นเห็นบอกว่าเหมือนเราไม่แอคทีฟเลยเราทําตัวไม่ถูกเราควรทําตัวอย่างไรดีคะขอบคุณมากคะ่ะแบบนี้ก็เรียกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอันนี้แหละเป็นวิธีของพระพุทธเจ้าอย่าไปชนะคนอื่นชนะคนอื่นแล้วจองเวรจองกรรมกันไปไม่มีวันสิ้นสุดชนะมารของเราดีกว่าชนะกิเลสของเรา เราก็จะเป็นพระขึ้นมาแท้เป็นพระชนะเป็นมาคําถามต่อไปจาก youtube พระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณอัชชาากราบนรรมศส ก, การเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการบวชน้าไฟในงานศพเป็นประเพณีที่ผิดใช่หรือไม่เจ้าค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะไม่ผิดเราเพียงแต่ว่ามันก็มันก็ได้ประโยชน์น้อยเพราะบวชน้อย เมือนกินยาน้อยอ่ะกินยาแค่เม็ดเดียวก็อยากจะให้มันโรคภัยหายไปก็อยากจะหายโรคภัยก็จ็บต้องกินไปเรื่อยๆจนกว่าโรคมันจะหายการบวชส่วนใหญ่นสมัยพุทธกาลเขาบวชแบบไม่สึกกันบวชแล้วจนกว่าความทุกข์จะหมดไปเมื่อความทุกข์หมดไปเขาก็อยู่เป็นพระเป็นครูเป็นอาจารย์สอนธรรมะต่อไปแต่บวชอย่างนี้ก็เป็นการทํำตามประเพณีทำเนียมตามความเชื่อก็ดีกว่าไปกินเหล้าเมายา บวชหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ยังดีแต่ความจริงมันก็ได้ประโยชน์น้อยเพราะมันทำน้อยท่านหนึ่ ง, งคำถามต่อไปจากคุณสมพลกราบขอคำชี้แนะพระอาจารย์ครับเราทราบได้อย่างไรว่าถูกจริต ก, กับกรรมฐานประเภทใดครับมันก็อย่างที่บอกอะ่ะถ้าเราเกิดความโกรธเกลียดคนนั้นคนนี้ก็ต้องใช้เมตตาภาวนา ให้อภัยอย่าไปถือโทษกดเคืองเขาลองเวนจองกรรมกันถ้าเรามีการมารมเราก็ต้องดู อ, อสุภะดูอาการสามสิบสองขึ้นมาถ้าเรามีความคลึกกนองใจหรือความวิตกกังวลกับว่าอนาคตก็ให้คิดถึงความตายไปแล้วมันก็จะหายคึกหายกระนองหรือหายความวิตกกังวลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอนาคตไป คำถามจากคุณสมพลความคิดประณนีค right, ิดวิพากษ์วิจารณ์พระที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมทางทั้งที่เราทราบว่าไม่ควรเราควรทําอย่างไรครับให้รู้เฉยๆไปก็แล้วกันเหมือนเราไปตลาดเห็นของเน่าเราก็รู Or, vale> ้ว่าเป็นของเน่าเห็นของไม่เน่าเราก็รู้ว่าของไม่เน่าก็รู้เฉยๆไปแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขาท่านนี้ถ้ารู้ว่าคนนี้ไม่ดีก็รู้ว่าเขาไม่ดีแล้วเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาท่านนี้ ก็รู้ว่าคนนี้ดี เ, เราก็รู้ว่าเขาดีแล้วเราก็ไปเกี่ยวข้องกับเขาได้รู้แค่นี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปยกตนของท่านว่าฉันดีกว่าเธอเธอเร็วกว่าฉันอะไรทานองไม่ต้องไปว่าเก่าไปตาหนติตีเตียนใครเท่านั้นรู้ตามความเป็นจริงของเขาเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำยังไงกับเขาดีควรจะคบค้าสมาคมกับเขาหรือว่าไม่ควรที่จะคบค้าสมาคมกับเขา แต่ไม่ไม่ให้มีความเกลียดชังหรือกาลังเกลียดเดียดชั้นไรยังมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงทั้งที่ดีและไม่ดีเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักคบเขาตนนั้งแตว่าคนไหนควนครคบคนไหนไม่ควครคบมีคาถามจากคุณวราเช่าค่ะเราเสียสละโดยเราใช้หนี้แทนน้องเพราะน้องไม่มีกำลังใช้หนี้เราคิดว่าเราทำเพราะถ้าเราตายไป เราก็เอาเงินไปไม่ได้ทาแบบนี้ถือว่าถูกไหมคะใช่เอาเงินมาเปลี่ยนเป็นบุญไงบุญนี้เราเอาไปได้ mm hmm. เหมือนกัรเราเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องไปเปลี่ยนเงินเยนใช่ถ้าเาเงินบาทไปใช้ไปซื้อของในในในกรุงโตเกียวนี่ซื้อยากถ้ามีเงินเยนติดตัวไปก็ซื้ออะไรได้ เวลาเราตายเราก็ไปเราก็ไปอยู่ในโลกทิพย์กันโลกทิพย์ก็ใช้ใช้บุญเป็นเป็นเงิ น, น, น, น, นอยากจะซื้ออะไรก็ต้องใช้บุญอย่างนั้นถ้าเรามีบุญติดตัวไปเราก็จะสามารถซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้อวิมานซื้ออะไรต่างๆซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าสวยๆรงงานเว้ใส่ได้คำถามต่อไปจากผู้แม่ประสงออกนามค่ะขอสอบถามพระอาจารย์ช้าค่ะว่าถ้าลูกจะเอาของที่ลูก จะไปเอาไปทํากรถินถ้าลูกเอาให้แม่จะได้เป็นเหมือนกันใหม่เจ้าคะอันนี้เป็นของของใครคนนั้นก็ได้คนที่เป็นเจ้าของคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเขาก็เพียงจะได้ความอนุโมทนาชื่นชมยินดีแต่เขาจะไม่ได้บุญจากการถวายผ้ากระถิน่นเขาต้องมีเป็นร่วมด้วยจ่ายเงินด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มีส่วนร่วมนะเป็นทานขึ้นมา แต่ถ้าเขาไม่ได้จ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวเพียงแต่เขาชื่นชมยินดีสาธุกับลูกนี้เขาก็ได้อนุโมทนาบุญท่านเองยังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าค่ ะ, ะการทำบุญคือการให้ข้าวให้ของนี่ต้องเป็นของของเราเราถึงจะได้บุญถ้าคนอื่นเขาฝากเราไปให้ไปทำนี่เราไม่ได้เลเราก็ได้เพียงแต่ได้บุญจากการที่เราไปรับใช้เขาไปช่วยเขาทำบุญให้เขา แต่บุญจริงๆเป็นของเขาเพราะเป็นเงินของเขาเป็นของของเขาถ้าเราอยากจะได้บุญเราก็ต้องหาของของเราไปทำบุญเองยังไม่มีคาถามเข้า ม, มาใชหาหมบุญจะเกิดขึ้นได้ก็คือหนึ่งต้องเป็นของของเราสองต้องเป็นความคิดริเริ่มของเราเราอยากจะทำไม่ใช่ถูกบังคับให้ทํำถูกบังคับให้ทาบางทีไม่ได้มันก็ไม่ได้บุญเพราะมันทาเพื่อ ด้วยเหตุผลอย่างอื่น เ, เป็นอัทีเขาเอาซองกระถินมาให้อย่างเงี้ยเราก็ท่องทำไปเพาถูกบังคับมันก็ไม่ได้บุญเท่ากับที่เราทําเพราะ<ม>ความด้วยความยินดีแต่ก็ได้บ้างเพราะเราก็ต้องเสียเงินไปแต่ถ้ามันเกิดจากใจของเราอยากจะทําขึ้นมาเ ร, เราจะได้บุญมากกว่าหรือว่าเราทํา<ม>ทําเพื่อเราอยากจะได้อะไรเป็นของตอบแทนอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญทําทําบุญแล้วให้เขามา อถ่ายภาพแล้วไปลงหนังสือพิมพ์ว่าเราได้ทําบุญนี้อันนี้เรียกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์นประชาสัมพันธ์ก็เหมือนกับเป็นการไปไปจ้างคนเข้ามาทําประชาสัมพันธ์ให้กับเราหรือเหมือนกับการไปซื้อของเนี้เราไปซื้อของเราเอาเงินให้เขาเขาก็ให้ของเรากลับมาอันนี้ไม่ได้บุญได้ของ ถ้าเราทําบุญเพื่อหวังผลตอบแทนทางใดทางหนึ่งอาจาจะได้อยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งต้องทําบุญอย่างนี้ก็เลยทําบุญเพื่อได้ขั้นได้ตําแหน่งอันนี้เรียกว่าเป็นการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนไม่ได้เป็นการทําบุญถ้าทําบุญแล้วไม่ต้องการผลตอบแทนจากคนที่เราไปทําบุญด้วยให้เขาฟรีๆเช่นไปทําบุญกับวัดก็ไม่ไปเรียกร้องให้วัดอ่ติดชื่อเราไว้ในโบสถ์หรืออะไรทํานองนี้ เราไม่ต้องการอะไรเราต้องการช่วยเหลือวัดของข้อวัดให้วัดจะจด้เจริญก้าวหน้าเท่านั้นเองแต่เราไม่ต้องการอะไรแม้แต่คาว่าขอบคุณก็ไ <labor> <ค>ม่ต้องการอันนี้ถึงจะได้บุญเต็มที่ถ้าเราทำแล้วเราอยากจะได้อะไรเป็นของตอบแทนนี่แสดงว่ายังเป็นกิเลสอยู่ยังเป็นความโลภอยู่เป็นความอยากก็จะไม่ได้บุญเต็มที่ได้บ้างแต่ไม่ได้เต็มที่ มีคำถามฝากถามมาเจ้าค่ะกริยาการตายของธาตุขันธ์ที่ต่างกันตามวิบากนี้หมายความว่าอย่างไรคะถึงแม้ว่าจิตของพระอริยะท่านจะบริสุทธิ์แล้วคือกรรมอย่างมาสมผลที่ธาตุขันธ์ก่อนมรณภาพด้วยเหรอเจ้าค่ะเดี๋ยวหนูพูดใกล้ๆหน่อยนะเสียงมานก็ด้เย็น คำถามฝากถามเจ้าค่ะกิริยาการตายของธาตุขันธ์ที่ต่างกาันตามวิบากนี้หมายความว่าอย่างไรคะถึงแม้ว่าจิตของพระอริยะท่านจะ บ, บริสุทธิ์แล้วคือกรรมยังมาส่งผลที่ธาตุขันธ์ก่อนมรณภาพด้วยเหรือเจ้าค่ะถ้ามันมาทันมันก็ส่งผลได้บางทีคนคูเองเจ้ากรรมนายเวรเข้าตามทันเขาก็เข้ามาฆ่าเราได้ แต่ใจก็ไม่เดือดร้อนถ้าเป็นใจของพระอริยะก็ไปเพียงแต่ไปวิบากตกไปที่ร่างกายแต่ไปไม่ถึงใจเพราะใจเป็นพระอริยะแล้วใจจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายคาถามจากเ c e b o o k ค่ะจากคุณนพพลขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายการลอดสัญโยน์ข้อที่สามสีลพัตตปรามาสหมายความว่าอย่างไรครับคกหน คำถามจากคุณนพพลเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายการละสังโยชน์ข้อที่สศีรพัตตปามาตหมายความว่าอย่างไรครับคือการเห็นกฎแห่งกรรมนั่นเองพระโสดาบันี้จะมีปัญญามองเห็นกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วก็จะไม่รูปไม่ลูปคําในศิลศีลรพัตตาเพราะการลูปคําคือไม่แน่ใจว่ารักษาศินแล้วได้อะไรหรือไม่ได้อะไรไม่รู้ว่ารักษาไปทําไม แต่พระโสดามันจะรู้ว่ารักษาศีลเพื่อป้องกันไม่ให้ใจไปตกไปในอบายเพื่อไม่ให้ใจทุกข์ท่านจะเห็นกฎแห่งกรรมท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านก็เลยไม่สงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมท่านก็จะรักษาศีลไปตลอดชีวิตคำถามยังไม่มีเข้ามาเจ้าค่ะโอเคไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะพอสมควรแก่เวลา